Thank mm -hmm. you.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 ทุงลมปป่งพองแต่เลิกไม่ได้อันนี้เพราะอะไรนะเพราะว่าใจใจมันไม่ไปด้วยเด็กนักเรียนก็รู้นะว่าความขยันเป็นเรื่องดีความขี้เกียดนี่ไม่ดีถ้าไม่ทำการบ้านเอาแต่เล่นเกมก็ไม่เกิดความรู้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 มากเกินไปจนกระทั่งรู้สึกไม่เป็นเวลาจะให้ยกมือสร้างจังหวะเดินจงกรมแล้วก็บอกว่าให้รู้สึกก็ทําไม่ค่อยถูกบางทีก็ต้องมีความคิดกํากับลงไปด้วยว่าเนี่ยฉันกําลังเดินฉันกําลังเดินฉันกําลังยกมืออันนั้นมันไม่ใช่ความรู้สึกแล้วนะ น, นั่นมันเป็นความคิดการเจริญสตินี่มันไม่ มันไม่ต้องใช้ความคิดเลยนะวางความคิดลงชั่วคราวเมื่อยกมือก็รู้สึกว่ายกมือเมื่อเดินก็รู้สึกว่าเดินไม่ต้องมีความคิดไปกํากับหลายคนนี่พอพอไม่ใช้ความคิดเนี่ยก็จะรู้สึกเควงควางอย่างโยมคนที่เขาพูดเนี่ยว่าคนเราไม่ตอคิดตลอดเวลาถ้าไม่คิดจะทําได้ยังไง ก็แนะนำให้ก็ฟังเวลาฟังเพลงต้องใช้ความคิดนะเวลาเราฟังเพลงเราไม่ได้ใช้ความคิดเลยนะไอตอนนั้นแหะคือเป็นช่วงที่มันหยุดใช้ความคิดแต่ว่าอาจจะใช้ความรู้สึกจนจนล่องลอยหรือจนลืมตัวก็ได้หรือว่าจนเคลิบเคลิ่มหลงไหลก็ได้ไอตอนนั้นมันไม่ได้ใช้ความคิดแล้วนะฉะนั้นเวลาเรา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 ไอ้ตอนนั้นเนี่ยความรู้สึกว่ากำลังเดินกาลังยกมือก็หายไปยิ่งถ้าจมเข้าไปในอารมณ์ด้วยแล้วเนี่ยก็จะบางทีไม่รู้สึกเลยไม่ใช่แค่ไม่รู้สึกนะบางทีคนเรียกก็ไม่ได้ยินนะเราเคยมั้งที่จมอยู่ในความเศร้าวความเสียใจความโกรธมันไม่รับรู้อะไรอย่างอื่นเลยนะคนเรียกก็ไม่ได้ยินเนี่ยขนาดเสียงเรียกจะไม่ได้ยินเลยนะ น้ำภาษาอะไรกับเวลาเดินมันจะรู้สึกได้อย่างไรใจมันไม่ไม่รับรู้แล้วฉะนั้นที่เราก็อกําหนดไว้ในใจนะเออเราจะเมื่อยกมือเมื่อเดินเราจะรู้สึกจะให้ใจอยู่กับการเดินจะให้ใจอยู่กับการสร้างจังหวะเดี๋ยวมันก็ลืมไปแล้วลืมไปเลยนะว่าเมื่อกี้ตั้งใจจะทําทอะไร ไอ้ตอนที่ลืมเนี่ยเรียกว่าไม่มีสติพราได้พูดไปแล้วว่าสติคือระลึกได้ถ้าลืมเมื่อไหร่ก็คือไม่มีสติไอ้เรื่องลืมนี่มันก็เป็นเป็นธรรมดาของคนเรานะเวลาลืมสิ่งของเนี่ยยังไม่เท่าไหร่นะแต่ถ้าลืมตัวเนี่ยมันเป็นปัญหาลืมตัวนี่เป็นปัญหาขับรถอยู่นะ ถึงแม้จะจำทางได้ล้วเกิดจะลืมลืมทางก็ยังไม่เสียหายเท่าไหร่อย่างมากก็เสียเวลาลง ท, ทางแต่ว่าถ้าเราลืมตัวเช่นขนาที่กำลังขับรถใจลอยเงี้ยใจลอยลืมไปเลยว่าตอนนี้กำลังขับรถอยู่หรือว่ากำลังโทรศัพท์คุยกับเพื่อน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 เพืนบ้านจะอาลูกไปส่งที่เนอร์เซอรี่อนุบาลซึ่งอยู่ใกล้ๆกับเทศบาลก็ทําอย่างนี้เป็นกิจวัตรเพราะเป็นเพื่อนบ้านกันนะก็ช่วยเหลือกันแต่ว่าวันหนึ่งเนี่ยเพื่นแม่ของเด็กเนี่ยพอมีธุระเขาก็เลยฝากให้ในายุทศมนติเนี่ยเอาลูกงเขาไปส่งที่เนอร์เซอรี่โดยที่ผู้ที่เป็นแม่ไม่ได้นั่งรถไปด้วย ก็นั่งอยู่ข้างหลังนะอันนี้ก็เป็นกิจวัตรที่ทํากันตลอดวันนั้นบังเอิญนะมีมีประชุมสําคัญของเทศบาลแล้วก็คงจะออกรถสายด้วยในเทศมาลตีเนี่ยตอนที่ขับรถแกก็คงคิดแต่เรื่องการประชุมแหละคิดแต่เรื่องการประชุมแล้วยิ่งทําท่าว่าจะไปประชุมไม่ทันเนี่ยแกก็ยิ่งกังวล ขับรถไปก็คิดแต่เรื่องประชุมนี่แหละจะต้องรีบไปให้ทันพอถึงเทศบาลแกก็รีบลงจากรถแล้วก็วิ่งขึ้นไปประชุมกว่าจะประชุมเสร็จก็เที่ยงทเที่ยงเสร็จก็กินข้าวแล้วก็ทำงานต่อจนถึง4ี่โมงห้าโมงเย็นแกลืมเด็กไปเลยนะลืมเด็กไปเลยว่าเด็กอยู่หลังรถ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 ขาดน้ำเพราะอไรเพราะว่าโดนแดดเผามันอ้าวข้างในเด็กอยุส 3-4 ี่ขวบเปิดประตูรถไม่เป็นไม่มีใครสอนก็ก็เลยตายก็เป็นข่าวนะเมือ่อสัก 2-3 ปีก่อนอันนี้มันเกิดขึ้นได้ไงเกิดขึ้นจากการที่คนขับหรือเนโอเทศมนตีในแกแกหมกมุ่นนะพุ่นคิดแต่เรื่องการประชุม อันนี้เรียกว่าลืมตัวนะตอนที่แกใจลอยขณะดขับรถเนี่ยไอ้สภาวะตอนเนี้ยอย่างนั้นเรียกว่าใจลอยและลืมตัวเมื่อลืมตัวก็ทำให้ลืมเด็กที่ติดรถมาด้วยเป็นความลืมตัวที่ก่อความเสียหายที่ร้ายแรงมากและมีแบบนี้เยอะนะแต่ว่าอาจจะรายละเอียดแตกต่างกนะันเช่นบางแห่งนี่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 นี่นี่เรียกว่าลืมตัวพอลืมตัวแล้วก็อาจจะลืมอย่างอื่นตามมาที่ไร้แรงถึงบอกว่าลืมของเนี่ยมันไม่น่ากลัวเท่ากับลืมตัวบางคนที่จาของจาได้แม่นนะว่าวางของไว้ที่ไหนเวลาจะนึกขึ้นมาก็นึกได้ไวกุญแจเอ้ยกระเป๋าเอย บางคนก็จำวันเกิดเพื่อนได้ทุกคนที่รู้จักกันนะบางคนสมัยก่อนนี่จำเบอร์โทรศัพท์เพื่อนได้เพราะสมัยก่อนไม่มีโทรศัพท์มือถือนะต้องใช้สมุดโทรศัพท์โทรไปมากๆบ่อยๆก็จำได้การที่จำได้นี่เรียกว่าสตินะสตินี่ทำหน้าที่คือระลึกได้แต่ถ้าเกิดเห็นหน้าแล้ว จำได้นี่อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สตินะอันนี้เขาเรียกว่าสัญญาสัญญานะเห็นหน้าจำได้ออชื่ออะไรอันเนี้ยเรียกว่าสัญญาแต่ว่าสตินี่มันทาหน้าที่คล้ายๆแต่ไม่เชิงทีเดียวคือว่ามันอยู่ในความจำแล้วพอจะระลึกนึกขึ้นมาได้ก็นึกขึ้นมาได้เลย น, นี่เรียกว่าสติหน้าที่อันนงของสติคือการจำได้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 เดินจงกลไปไม่ถึงไม่ถึงสองรอบลืมไปแล้วว่ากําลังเดินอยู่ความรู้สึกที่ว่ากําลังเดินมันหายไปเลยพอตอนนั้นใจไหลใจลอยไปให้เราคงจะเห็นได้ว่าเนี่ยอ้ไอ้การลืมตัวนี่มันง่ายเหลือเกินให้การลืมของลืมลืมโนลืมนี่นี่บางทีมก็เกี่ยวกับวัยนะบางคนตอนที่ยังหนุ่มยังสาวก็จําได้แม่น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 วาพอใช้ครับยายก็บอกว่าไม่เป็นไรนะยายเดี๋ยวจะให้เงินหลานสักหน่อยเก็บไว้เป็นค่าขนมแล้วกันแล้วควักเงินมาให้สองหมื่ น, นะให้ให้หลานหลานก็ดีใจขอบคุณเสร็จ แ, แล้วก็คุยกันโน่นนี่ผ่านไปห้น า, าทียายก็ถามอีกถามหลานมีกินมีใช้ไหมยายบอก หลานก็บอกมีครับเอ้ยแต่ไม่เป็นไรนะเอาเก็บไว้เป็นค่าขนมแล้วกันและททำท่าจะควักเงินหลานก็บอกว่ายายเพิ่งให้เมื่อกี้นี้เองสองหมื่อยายก็บอก อ, อ่อนเลยเออดีละแล้วก็คุยกันต่อคุยไปกินไปยายก็ถามอีกมีกินมีใช้ไหมหลานคนนี้แก้งยายบอกช่วงนี้ไม่ค่อยมีใช้เลยครับ ยายก็เลยควักเงินมาเปิดกระเป๋าควักเงินตกใจเงินหายเฮ้ยเงินหายไปไหนหลานบอกไม่ได้หายแล้วยายเพิ่งให้ไปเมื่อกี้นี่เองโอแล้วไปเนี่ยความจําเนี่ยมันคนที่พอแก่ตัวเนี่ยจะจําได้ไประเดี๋ยวเดียวแล้วความลืมก็จะก็จะมาจําได้ไประเดี๋ยวเดียวแล้วก็ลืมละ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 ไปหาหมอเนี่ยหมอเจอหน้าทุกครั้งหมอก็ต้องแนะนําตัวว่าเชื่ออะไรแต่ผ่านไปห้านาทีคนไข้ก็จะลืมแล้วว่าหมอเป็นใครหมอก็ต้องแนะนําตั ว, วเป็นเชื่ออะไรบางทีหมอไปเข้าห้องน้ํากลับมาคนไข้ตกใจว่าเป็นใครหมอก็ต้องแนะนําตัวว่า อ, อ๋อเป็นหมอที่มาดูแล อันนี้มันเป็นอาการคนที่ลืมไวแต่เป็นพราะความผิดปกติในสมองแต่ถึงแม้ไม่ผิดปกติในสมองเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องความลืมตัวแล้วเนี่ยมันมันไม่เกี่ยวกับอายุเลยแต่ของพวกที่มันฝึกได้ฝึกได้ทําให้อ่าลืมช้าลงแล้วก็ระ ล, ลึกได้ไวขึ้นเนี่ย น, นี้ทําได้ มันง่ายกับการช่วยทำให้คนแก่มาระลึกได้ไวเพราะนั้นเป็นเรื่องสมองไอเรื่องการที่ระลึกได้ไวในเรื่องเกี่ยวกับการและใจเนี่ยมันจะว่าง่ายก็ง่ายเพราะว่าใครๆก็ทำได้ขอเพียงแต่ว่าต้องฝึกจะว่ายากก็ยากเพราะมันไม่ต้องมันมันไม่มียาอะไรที่จะช่วยได้ อย่างกรณีอย่างคุณยายนี่ก็อาจจะช่วยได้ด้วยการกินยาบางชนิดก็อาจจะช่วยทำให้จำได้ดีขึ้นแล้วก็ลืมได้น้อยลงหรือว่าความหลงลืมมันช้าลงแต่ว่าการที่จะให้มีความร ล, ลึกได้เรื่องกายเรื่องใจแล้วก็ไม่ลืมตัวง่ายง่ายเนี่ยมันไม่มียานะมันมีแต่ต้องฝึกทำบ่อยๆทำบ่อยๆใหม่ๆมันก็จะลืมไวลืมตัวไวมากเลย บางทีทำวัดสวดมนต์นะสวดไปได้เดียวๆไปแล้วลืมแล้วลืมว่ากําลังสวดมนต์ใจลอยแต่พอเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆเช่นฝึกด้วยการเดินจงกรมสร้างจังหวะใหม่ๆมันก็ลอยไปไกลกว่าจะรู้ตัวก็ใช้เวลานานคิดไปสิบเรื่องถึงค่อยรู้ถึงค่อยระลึกได้แต่เราก็ไม่ท้อไม่ถอยแล้วก็ทําไปทําไปทําไปความคิด ที่มันเคยยืดยาวเป็นขบวนรถไฟมันก็จะเริ่มสั้นลงจากสิบเรื่องถึงค่อยรู้ตัวก็เหลือ8ดเรื่องเจดเรื่องหเรื่องตอนหลังนี่แค่คิดเรื่องเดียวไม่ทันจบก็ก็รู้ละรู้ตัวรู้ตัวว่ากำลังยกมืออันนี้เรียกว่าวางความรู้สึกวางความคิดได้เร็วความระ ล, ลึกรู้ ในเรื่องกายเรื่องใจหรือความรู้สึกตัวเนี่ยมันมาเร็วเพราะว่าสติรู้ทันได้ไวสติรู้ทันความคิดเมื่อรู้ทันแล้วมันวางก็ทำให้จิตเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก่อนใจมันลอยจิตมันลอยไหลไปนอกตัวเยอะแยะอันนี้เราไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่พอมีสติปุ๊บรู้ทันวาง จิตกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัวก็เกิดความรู้สึกตัวขึ้นเมื่อมีความรู้สึกตัวยกมือก็รู้สึกเดินก็รู้สึกเสียงนกร้องก็ได้ยินแต่ว่าก็ปล่อยวางได้เร็วใจถ้าเผลอเมื่มอไหร่ใจมันก็ไหลไปที่เสียงนกไหลไปที่นกไอตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวละไอตอนนั้นเรียกว่าลืมตัวละลืมไปว่ากําลังทําอะไรอยู่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 เคลื่อนไหวมือไปมาก็รู้สึกชัดเจนแต่โดยที่ไม่ได้ต้องไปเพ่งมันอันนี้เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงได้ถ้าเราทำบ่อยๆทำเรื่อยๆและพอเรามีสติดีเรามีความรู้สึกตัวอย่างต่อเนื่องจิตใจเราจะเบาลงเพราะว่าไอ้ที่เราทุกเนี่ย ไม่ใช่ทุกราะอะไรอย่างอื่นเลยนะแต่ทุกเพราะใจไปแบกไปยึดเอาไว้อย่างที่พูดเมื่อเช้าเราไปแบกไปยึดกับเรื่องที่ผ่านไปแล้วในอดีตแล้วเราก็เอาแต่คล่ำครวญเสียใจหรือโกรธแค้นหรือมิฉะนั้นก็ไปคิดถึงเรื่องอนาคตที่ยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็กังวลคนเราทุกเพราะใจไปอยู่กับอดีตกับอนาคตมากไปอยู่แบบไม่ตั้งใจนะ ไหลไปอดีตแล้วก็เลยคล่ำครวนพูดอย่างนี้ไม่ได้แปลว่าจะนึกถึงอดีตไม่ได้เรานึกได้นะถ้าเรานึกแบบใคร่ครวนเช่นเราทํางานนะเราก็มาประเมินว่าอองานมันเป็นอย่างไรมีข้อผิดพลาดตรงไหนอ น, นี้เราเรียกว่าใคร่ครวนเป็นสิ่งที่พระเจ้านะสนับสนุนให้ทำํำหรือว่าเราถึงวันเกิดเรา เราก็ใคร้ควรชีวิตที่ผ่านมาว่าเราได้พลังเผือพลังพลาดตรงไหนบ้างแล้วเราควรจะแก้ไขตรงไหนบ้างการใคร้ควรแบบนี้เป็นเรื่องดีแต่ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสตินะมันไม่ใคร่ครวร น, นะมัน ค, คล่ำครวนความสูญเสียความเสียใจก็กลายเป็นก้อนหินที่มัน แบไว้ในใจเกิดความหนักอกหนักใจหรือกลายเป็นหนามแหลมที่คอยทิ่มแทงทั้งที่หนามนี่มันก็ไม่ได้มาจากไหนเลยมันเกิดจากใจที่ไปยึดเอามาทิ่มแทงตัวเองเอามากรีดตัวเองแต่ถ้าเราไข้ครัวเนี่ยแม้เรื่องที่เจ็บปวดนาดีเราก็จะได้บทเรียนนะบางที่อกหักหรือว่าทํางานผิดพลาด เราใคร่ควรวญแล้วเราก็ได้บทเรียนนะเมื่อเราได้บทเรียนเราฉลาดขึ้นเราก็จะไม่ทำผิดพลาดซ้ำสองอันนี้มันจะทำให้ชีวเราเจริญก้าวหน้าเพราะความสาเร็จในชีวิตความเจริญก้าวหน้าในการงานก็เกิดจากการที่รู้จักสรุปบทเรียนและการสรุปบทเรียนก็เกิดจากการที่เราใคร่ควรวญอดีตที่ผ่านมาอันนี้ เป็นสิ่งที่ไม่ได้ขัดกับคําสั่งของพระุทธเจ้าแต่สิ่งที่มันเป็นปัญหาคือเราปล่อยใจให้มันคร่ําครวนกับสิ่งที่ผ่านไปแล้วหรือคับแค้นะกับสิ่งเรื่องราวที่เป็นอดีตอันนี้เกิดจากการลืมตัวอันนี้เกิดจากการที่ไม่มีสติในตอนนั้นแหละที่เราไม่รู้สึกตัวเราถึงคร่ําครวนแต่ถ้าเรามีสติเราจะไม่เผลอไม่พลัดเข้าไป ในอาการแบบนั้นจะไม่จะไม่คร่ำครวนแล้วจะไม่จมอยู่ในอารมณ์ต่างๆไม่ว่าอาดีตหรืออนาคตแต่ว่าเราจะโปร่งเบามากขึ้นเราจะมีความอิสระเราจะไม่ใช่เป็นทาสของอดีตแต่เราจะเป็นนายของอดีตก็คือว่าเอาอาดีตมาใช้ประโยชน์ไม่ใช่ปล่อยให้มันโบยตีหรือว่าซ้ำเติมจิตใจเรา ถูกโกงเงินไปก็ไม่ได้เครียดแค้นไม่ได้เสียใจเราก็ได้เบิดเรียนนะเรียกว่าเอาอาดีตเป็นครูเอาอาดีตมารับใช้ปัจจุบนันนี่มันก็กลายเป็นว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วกลายเป็นของดีเพราะาเรามีสติในการพิจารณาแต่ถ้าเราไม่มีสติเราก็จะกลายเป็นท่ายของอดีตอดีตก็จะล่ามโซ่จิตใจงเราไว้ไม่ให้เราก้าวไปข้างหน้า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 ซึ่งก็เกิดขึ้นจากการที่เราฝึกบ่อยๆอย่างที่เราทำอยู่นะในช่วงสองสวันนี้แงก็ค่อยมีความเพียรในทําไปเรื่อยๆโดยความเข้าใจจุดมุ่งหมายแล้วเห็นคุณค่าของมัน